เป็นบรรทุนในการยืนยันพระมรรมฐานสดไปเลยสำหรับการยืนยันพระมรรมฐานวันนี้มาหาเฉพาะอย่างยิ่งมาหาจิตฐานนัสูตรเป็นขันห้าขันทะบะัจําได้ไหมได้นะกะนาา็สําหรับมหาติฐานนัสูตรนี่เป็นวิปัสสนาญาณล้วนวันนี้ก็ยังไม่ขอพูดก่อน ว่าถ้าพูดเฉพาะวิปัสสนาญาณจะไร้ผลท่านี้ข้ออะไรก็ว่าเลยไปบางคนท่านยังไม่เข้าใจในสมถะภาวนาก็ขอพูดกรรมฐานที่มีความจําเป็นก่อนอันนี้ขอพูดทุกวันนะต น, นี้นะกรรมฐานที่มีความจําเป็นเพราะว่าการเรียพระกรรมฐานสิ่งที่ต้องการก็คือไม่ต้องการตกอบครับผม ว่าท่านที่มุ่งหมายความสูงสุดก็หวังพรนิพพานฉี่นั้นการเรินกรรมฐานถ้ายังไม่สามารถตัดสังโยชน์สได้เราก็ต้องเวียน่ายตายเกิดในวัดตะการเป็ยนไหวตายเกิดก็ไม่มีขอบเขตจำกัดจะเกิดเป็นคนใหม่ก็ได้เป็นสติชั้นก็เป็นเปรตเป็นจุรกายเป็นสันนิษฐาก็ได้เป็นเทวดาด้วยปัมก็ได้เอาแน่นอนไม่ได้นี่เป็พระที่เจ้าทรงตัดว่ามีคติไม่แน่นอน ถ้าผู้ที่จะมีคติแน่นอนจริงๆก็ต้องมีตัดสังโยชน์สามได้สังโยชน์สามมีอะไรบ้างคือหนึ่งสกายติติสองวิจิกิจจาสามธิรปตะปรามายสกายติติปัญญาชั้นขั้นเบาคือมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย <c oughs> ไม่ลืมว่าเราจะต้องตาย ถ้าการตายได้าหากว่าเราจิตเข้าหมองก็ไปสู่บบยภูมิถ้าจิต ป, ประกอบด้วยกุศ ล, ลก็ไปสู่สุขติมีสมันมีสวรรค์พุมรรคน น, น, นี้เป็นผ่านดั่งตนนี่เป็นธาตมอารักษ้าประคองจิตยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาคำว่าใช้ว่าปัญญาเพราะว่าต้องใครข่ควนก่อนจะได้ไม่สงสัยภายหลัง ถ้าไม่ไข่คนก่อนจะเกิดการสงสัยและต่อไปก็ศิลปะปรามาสรบสิ่นในกำหมดสิครบทนอันอนี้ว่าเป็นพื้นฐานนะตอนนี้มาว่าถึงวิธีปฏิบัติขั้นต้นพระบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนจงอยาทิ้งลมให้ใจเข้าออกเขาไี่เป็นกรรมาฐานใหญ่มาก ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นกครู้อยู่อย่างนี้จะเรียกว่าอนาปานุกติกรรมฐานแต่การรู้อย่างนี้บรรดาญาโยามพุทธบริษัทในยามปกติจริงๆจะบังคับให้เรารู้ทุกเวลาแมันไม่ได้ เอารู้กันจริงๆเฉพาะที่มีเวลาว่างคือในการเจริญปรญญาธรรมถ้าว่างจากจิตอืต่นใครคิดว่าคนทุกคนถ้าไม่สามารถรู้ลมเข้าลมออกได้ต่อเวลาอย่างนี้จะต้องตมกมรรคอันนี้ไม่เป็นความจริงการรู้ลมเข้าลมออกเวลานั้นจิตต้องว่างจากการงานเวลาทําการงานอยู่คุยก็อยู่ก็ไป็เนเรื่องการงานเรื่องของการคุยกัน ถ้าจิตว่างจากอารมณ์การคุอการงานเมื่อะไรก็จับลมหายใจเขาออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกเป็นการคลายความเหนื่อยร่างกายได้เป็นอย่างดีถ้าทุกขเวทนาทางกายเกิดขึ้นอย่างป่วยไข้ไม่สบายถ้ารู้ลมเข้ารู้ลมออกจิตปีสมาธิเล็กน้อยนานา ป, านปันก็กติอย่างนี้ทุกขเวทนาจะบรรเทามาก ถ้าเวลาไหนจิตเข้าถึงปฐมฌานเวลานั้นจะไม่มีความรู้สึกทุกขเวทนาเลยอย่างปวดหัวเจ็บท้องเจียดหน้า อ, อกเฟื่อยแข้งไม้ขาอะไรก็ตามถ้าเวลานั้นจิตละเอียดถึงปฐมฌานในขนะนั้นทุกเวทนาไม่ปรากฏกับเราทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคำฌานจิตกรบศาสตร์แยกกัน <c oughs> แต่ว่าถ้าปฐมฌานก็แยกใกล้หน่อยยังไม่ไกลมาก ถ้าทาิ้งชาในสี่แยกแกำเด็กขาดร่างกายจะปฏิบัติจะขึ้นไหว้ไงก็ตามจิตไม่ยอมรับทราบตัวอันดับแรกเขาทุกคนรู้ลมหายใจเข้าใจออกถ้าต้องการภาวนา <c oughs> ก็ให้ภาวนาตามอัยาสัยจะภาวนาว่ายังไงก็ได้ถ้านักปฏิบัติใหม่ๆจริงๆใช้ใช้ภาวนา ว, นาวน่าพุทโธเพราะตอนนี้เป็นการสอนสุขปฏิสโก ให้ใจเข้านึกตามว่าพุทธาใจออกนึกตามมาโทถ้าตั้งใจทําจริงๆวันหนึ่งใช้ลมที่เป็นสมาธิจริงจริงสองสามนาทีกันนี้ใช้ได้ถ้าได้ทุกวันนะสองสามนาทนะีจะเป็นเวลาไหนก็ตามอย่างนี้ตายไม่ตกมรรคแน่เพราะก่อนจะตายจิตจะจับสมาธิจุดนี้จเจนภาพพระพุทธเจ้านอกจากก็เป็นผู้ธานุสติ นี่ใตอนต้นนะแล้วก็สําหรับท่านที่ได้มนโนมยิทธิอย่ายลืมว่ากําลังเข า, มาโมยิทธิแล้วมีลทิ์ทางใจมีความสําคัญมากการเ ข, ข้าสมาบัติสูงวันนี้มีคนถามคำถาเข้าสมบาบัติข้าสมาบัติก็คือฌานถ้าจิตเป็นฌานจิตก็งับจากทุกขเวทนาถ้าจิตยังอยู่ในร่างกายมันรับสัมผัสเร็ว หมาความยุงกินลิ้นกัดตั้ก็มีความรู้สึกตัวจิตกังวลกับประสาททำได้กําลังส่วนหนึ่งก็ปัญญาคือมโนยิทธิให้ยกจิตจากร่างไปเลยออกไปไปคุยกับเทวาดาก็ได้คุยกับพรหมก็ได้ไปคุยกับพระอริยเจ้า ก, ก็ได้เวลานั้นถ้าจิตออกจากร่างไปแล้วท่านถือว่าเป็นสมาบัติสูงจิตไม่มีการกังวลกับร่างกาย จะใช้เวลาจริงๆวันหนึ่งตัสองสามนาทีก็ถือว่าดีมากถ้าจิตจะมีการคล่องตัวจิตมีเวลาสะอาดนี่ว่ากันถึงตอ น, นต้นในญาตโยมนะทันี้ก็มีวันนี้มีคนสงสัยว่าถ้าการปฏิบัติเวลานั้นผลเกิดขึ้นจากสมาธิแต่ขนาดนั้นสงสัยว่าแน่จะไม่แน่จริงไม่จริงอย่างนี้เป็นของธรรมดา แต่ว่าธรรมดาอย่างนี้มีโทษนะเพราะคำว่าสงสัยในผลการปฏิบัตินี่เป็นนิวรนข้อที่หานิวรนถ้าข้อใดข้อหนึ่งสิงใจเวลานั้นสมาธิไม่มีผลการปฏิบัติจะไร้ผลเป็นการขาดปัญญาในเวลาที่อยากโยมพรบวิษัทภาวนาก็ดีพิจารณาก็ตามจงยาให้นิวรนห้าประการเข้ามาควบคุมใจ เราชนะเวลาน้อยๆเวลาเล็กๆทันทั น, นวรารปราการก็คือหนึ่งความรักในระหว่างพีศ 2. ความโกรธสความง่วงสี่จิตฟุ้งซ่านคิดมากเราคิดมากห้าสงสัยในผลการปฏิบัติแต่ว่านิวรณ์ทารายการนีบรรดาแต้าพุทธวิสัชย์าห้ามมันเลยทีเดียวไม่ได้เพราะจิตบคบกนิวรณมานาน บางครั้งแล้วก็เผอนี่บอลกวนใจเราถ้าเรารู้สึกตัวมาก็เริ่มต้นใหม่จับรู้ลมในใจเข้ายิ่ออกแล้วภาวนาตามอย่างนี้นี่บอลจะรังงัดคืสั่งว่าเดียวหนึ่งมี่บอลก็ย่องเขามาใหม่ในเมื่อเราเผอแล้วก็เริ่มต้นใหม่สละกันไปสละมาแบบนี้ยี่งกว่าจะเลิกใช้ได้นี่ว่าตอนต้นนะพยายามเรียยังไม่อครับเรยนรยัง ลืมบ้างลืมข้อไหนเราเคยลืมแล้วลืมบ้างไม่ใช่ลืมบ้างลืมเหลือบางบางก <c oughs> ็ได้ว่าลืมมากใช่ไหม <c oughs> นี่ก็ฟังแล้จะยากไปนิดนะข <c oughs> อะย้อนกลับอีกทีหนึ่ง <c oughs> ว่ากรรมวิธีปฏิบัติเนะี่ย <c oughs> เห็นนึกถึงลมหายใจเข้าออก <c oughs> เป็นตัวต้นของสมาธิถ้า <c oughs> ภาวนาด้วยภาวนาว่ายังไงก็ได้คำภาวนาไม่จากัด แต่ไม่เคยปฏิบัติมาเลยใช้ธรรมนาวพุทโธเวลาใจเข้านึกว่าพุทธเวลาใจออกนึกว่าโธเอาแค่นี้นะอย่างนี้เป็นการฝึกจิตให้ทรงอารมณ์ต่อไปกรรมฐานที่มีความจำเป็นจริงๆเบื้องต้นจะต้องทำให้ได้เพื่อนี้อร่ยอบายภูมิอบายภูมิก็มีนรกเปตสุรกายสติฉัน เราทำบาปทุกอย่างแต่เราไม่ต้องการใช้นี่บาปใช้นี่บาปอย่างหนักก็คือลงนรกใส่ครึ่องนรกเป็นมาเป็นเกรดใส่เคร่องเปรตเป็นุรกายใช่ศุรกายเป็นสติฉันใส่เป็สติฉานมาเกิดเป็นคนที่มีความทุกข์เราไม่ต้องการยชำระหนี่พยาบาลเภสัชฯทำยไง ก็ต้องใช้กรรมฐานที่มีความจำเป็นอย่าหลงสมาบัตมากเกินไปสมาบัตดีแต่ต้องเข้าสมาบัตให้ถูก <c oughs> ถ้าไปเข้าสมาบัตอื่นที่ไม่ไ ม, ไม่ตรงทางไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่ทางป้องกันเราจะเสียใจภายหลังคือไปเอาสมาธิเบื้องต้นว่าใช้มรณ า, านุสติกรรมฐานไปอนุสติทั้งหมดมรณ า, านุสติ นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ทีเราเรียกว่าตามมิปัฏนานญาณอส ก, กายติติทั้งยโสตนะแต่จริงๆนึกถึงความตายจะเรียกมรณานุสตินตในการนึกถึงความตายยังไม่ต้องนึกทั้งวันนึกเฉพาะเวลาพอเช้นาตื่นขึ้นมาคิดว่าอาจจะตายอนุสติที่สองคือพุทธานุสตินึกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า อนุตติที่สามคือธรรมานุตตินึกถึงพระธรรมคําสั่งสอนยอมรับตัณฑ์อนุตติที่สยอมรับตัณฑ์พระอริยสงฆ์อนุตติที่5้าคือศีลานตุตตินึกถึงศีลในาการปฏิบัติให้ครบถ้วนถ้าทําได้เพียงเท่านี้ทุกคนพ้อนอบายภูมิอาจจะต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกก็จํากัดเวลาไปมากนะักก็ปฏิภาณ ว่าถึงวิธีปฏิบัติเบื้องต้นนะทุกคนจะต้องได้ขอญาติอีกครั้งสิ่งจะต้องได้ก็คือหนึ่งนึกถึงความตายความตายนี่กว่านครั้งก็ใช้ได้เช้าตื่นมากลิบว่าอาจจะตายวันนี้ก็ได้ตายเมื่อไรก็ได้ในการทีสองยอมรับนักือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในการที่สามมีศีลบริสุทธิ์และก็สี่ขอแถมท้ายมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ จีตต้องการที่่ันจุดเดียวนี่ของเก่าต้นต้ น, ตนนะนี่ต่อไปนีก็จะขอผู้เรื่องมาหางติธรรนสูตรวันนี้ว่าในขันธบัพขันธบัพคือขันห้าบทของขันห้าขันห้ามีอะไรมานะฉันลืมแล้วยังจำได้นะยี่หกเหลือมั้งขันห้าคือมีรูป ใบธานาสัญญาแังขานบิญญานรูกก็คือรูกอา่าวอยารู้เรื่องอะไรกันนะหนไสิ่งใดที่สามารถมองเห็นในตาเนี่ยสิ่งนั้นเรียกว่ารูปอย่างนี้อย่างไอ้ตึกเนี่ยมองง่ายไหมหง่ายไหมสิ่งที่เราเห็นในตาเนี่ยทุกอย่างคนก็ดีใส่ ก, ก็ดีวัตูไท้ายก็ตามอย่างนี้นคือรูป ในกันห้าเนี่ยมีรูปดูหนึ่งอีกสี่เป็นนามเวทนาสัญญาแสงขานไม่ญาณทั้งสี่อย่างนี้เป็นนามถ้าแปลกันรูปก็คือรูปสิ่งที่มองเห็นด้วยตาเวทนาได้ความเสวยอารมณ์มีความสุขหรือมีความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อย่างนี้ได้เวทนาทุกข์ก็เป็นทุกข์เวทนาสุขก็เป็นสุขเวทนา อารมณ์เฉย ๆ, ๆอันินชาวใช่ไหมอารมณ์เฉยๆไปไม่สุขไม่ทุกข์ก็เป็นเวทนาเหมอือนกันต่อมาเขาได้สายของเขาปัญญาคือความจํานี่เป็นนามธรรมหมดต่อมาก็สังขารใช่ไหมสังขารนี่แปลว่าไงนะสังขารตัวนี้ถ้าแปลศัพท์ให้จําง่ายๆแปลว่าความคิด ที่จะเรียปัญญาไปสังขารนะปุญญาไปสังขารนะเนนชาไปสังขารอย่างนี้ฟังรู้เรื่องอยากใช่ไหมสังขารจริงๆให้แปลย่อยๆว่าความคิดความรู้สึกของจิตถ้าปุญญาไปสังขารก็มีความรู้สึกอยากจะทําความดีอยากจะให้ทานอยากัะสาสินอยากจะริยภาวนาตัว น, นี้เป็นปุญญาไปสังขาร ถ้าปุญญาไปสังขารอยากจะคิดทำบาปแทนที่รักจะให้ทายกับคิดจะลโมยเขาบ้างเห่นไหมอยากจะฆ่าเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นแน่นชาวไปสังขารไม่อยากอะไรทั้งหมดอนุสรโลกคือโลกความโลกฉันไม่ต้องการฉันต้องการนิพพานกลุ่มความว่าสังขารแปลงง่ายๆเป็นความคิดความรู้สึกความคิดนะไม่ใช่ความรู้สึกไอ้ตัวคิดตัวนี้มันมาจากปัญญา จะไปถามว่ามาจากวิญญาณไม่ถูกนะต่อมาตัวที่ห้าคือวิญญาณความรู้สึกรู้สึกว่าหนาวร้อนหิวก็ะหายของแข็งของอ่อนอย่างนี้เป็นต้นมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นเดียวิญญาณครพูดจะย่อขั้นห้าคือว่ามีรูปเวทนาสัญญาสัญขานวิญญาณรูปก็คือรูปเวทนาความเสวยอารมณ์มีสุขบ้างทุกข์บ้างเป็นต้น เปิดสัญญาความจําสังขารความคิดวิญญาณความรู้สึกของทางกายท้งหมดนี้พระพุทธเจ้าพิจารณาว่าขอยเข้าใจว่ารูปมันเกิดขึ้นไม่อย่างอื่นมันเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยมีการเสื่อมไปในที่สุดของโลกห่างเจตนาสัญญาสังขารมันก็วิญญาณก็ไม่กันตอนนี้เมื่อกี้นี้ก่อนยาดงมาเป็นไปศึกษามาหน่อยท้งเรียนทุกวันนี่ ท่านก็บอกว่าจับแค่รูปอย่างเดียวก็พอเวทนาสัญญาแสงขัน ย, ยานยังไม่ต้องไปยุ่งมันถ้าตัดรูปได้เขาตัดเวทนาสัญญาแสงขันยานได้ด้วยเห็นไหมเมื่อกี้เยนน่องกีเนี่ยไหนมาสักปวัน10สนทีกว่าท่านบอกให้พิจารณาแค่รูปตัวเดียวพอถ้าตัดรูปได้ก็ตัดทุกอย่างได้ อย่างเวทนาไม่เกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีที่มีกับเราอาศัยรูปเป็นเหตุความหิวต้องมีรูปจึงหิวความระหายเพราะรูปมีรูปจึงระหายความหนาวเป็นทุกขเวทนาเพราะมีรูปจึงหนาวความร้อนเพราะมีรูปจึงร้อนรูปมันร้อนใช่ไหมเงื่อแบมันร้อนที่ป่วยไค้ไม่สบายก็เพราะมีรูป ท่าบอว่าตัดรูปตัวเดียวก็หมดการพิจารณารูปให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงมารูปข้อ เ, เราก็ดีรูปคนอื่นก็ดีรูปใ ส, สก็ตามรูปวัตวถุท่ายก็ตามทั้งหมดมีการเกิดขึ้นในเบื้องตน้นและเมื่เกิดขึ้นแล้วมันก็มีการค่อยๆเสื่อมตัวเองค่อยๆสลายตัวไปอย่างเย็นว่าคิดว่าคนแล้สัตว์มันจเจริญขึ้นแต่ความจริงไม่ใช่ ไอ้ตัวจเจริญขึ้นนะั่นคือตัวทำลายของเก่าจากความเป็นเด็กเล็กเดิมทีเดียวเป็นเด็กเล็ ก, กออกจากคันมารดาถ้าต่อมาเขค่คอยเป็นเด็กใหญ่ใน ไ, ไหมความของเก่ามันสลายตัวไปแล้วมั น, โ ต, นโตขึ้นโตขึ้นทำไมโตก็าไปหาความตายใช่ไหมเรียว่เดินก็้ไปหาความตายรวมความว่ารูปมื่เกิดขึ้นในเรื่องต้นก็มีการเสื่อม เวทนาความสวยอารมณ์ก็เหมือนกันความรู้สึกทางใจสุขก็ตามทุกข์ก็ตามมันก็ไม่มีการทรงตัวมันมีความสุขก็มาเดี๋ยวความสุขก็สลายตัวมีความทุกข์ก็มาสักครู่หนึ่งความทุกข์ก็สลายตัวมันไม่มีการทรงตัวเรืยค่อยๆเสื่อมแต่ในที่สุดทั้งลูกคดีจังอย่างอื่นทั้งหมดก็แปรนาฏตายพังทูกค่อยๆเสื่อมไปในที่สุดก็ตาย รูปคนก็ตายรูปใสก็ตายรูปวัตถุท่ายก็พังไม่มีอะไรเหลือก็เคยคิดนะที่ตายม่ดีนดีไม่ดีหลับเมื่อกี้ฉันจะหลับไปแล้วฉันฟังไปฟังมาฉันกังวงจิกันนี้แต่ละทีไอคุกตกใจกำลังเพลินนยที่เกิ้มเคลิ้มก็ลงความมาขอบรรดาญาโยมวุบริษัทจับรูปเป็นเอก เพตัดรูปได้อย่างพระพายยะที่พระเจ้าทรงตัดว่าพายยะจุย่าสนใจในรูปตัดรูปได้กับปณิพานได้แม่ค่อยๆดูรูปของเราร่างกายของเราไอ้รูปคือร่างกายดีกว่านะเจ็บฟังกันไม่ออกร่างกายเราร่างกายของเรามันไม่ทรงตัวแม้รเรามีร่างกายมีสุขก็มีทุกขังกหาเริยสัตย์ การเจริญมีปทสนายานได้ที่อริยสัจเละต้องเกาะอริยสัจอริยสัจมีมี4อย่างคือทุกข์สมทุทัยไม่ใช่สมุทเจ็บ ไ, ไอ้ตึกหลับเวสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นีโรทะความดับจกกักมรรคือเปจิยุทธาลในการดับทุกข์คือสินมาตทิปัญญา ก็รกวมความต้องหันก็ไปหารอริ ย, ยสัจอริยสัจสื่อสายกันจริงๆข้อเดียวคือทุกข์ถ้าทุกคนเห็นทุกคนนั่นถ้าเห็นจริงๆก็ตัดกิเลสได้หมดปณิพานได้ก็ต้องดูว่ารูปที่เราเกิดมานี่มันมีความเสื่อมจริงๆแนะรูปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เอากันจริงๆแนะรูปมันก็ไม่สุขก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมคุณอาจารย์หลวง รูปคือร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมและไฟเข้ามาระเข้ามาประกอบกันเป็นกายจริงๆแล้วนะมันไม่มีความรู้สึกมันต้องมีจิตเข้าสิงเมื่อจิตเข้าสิงในรูปแล้วก็ปัญญายเกิดขึ้นอย่างนี้รูปจึงมีความรู้สึกไปอาศัยความสุขหรือความทุกข์ที่เกิดกับจิตของเราอาศัยใครอาศัยรูป รูปมันป่วยจิตกทุกไปด้วยรูปมันหิวจิตกทุกไปด้วยรูปมันถูกความเย็นมากเกินไปจิตกทุกไปด้วยรูปถูกความร้อนมากเกินไปจิตกทุกไปด้วยเกิง ค, ความทุกข์เพียงไปเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเป็นเหตุเรื่องการตัดรูปเนี่ยต้องค่อยๆนะอย่ารูปรานมากเกินไปถ้ารูปรานมากเกินไปเกินวิสยัยจะเกิดความคลุ้ม วันหนึ่งเอาชนะจริงๆแล้วสองสามนาทีก็พอเวลาที่มีอารมณ์สั ง, ง, งกัดจะแก้กายงานเวลาตอนดึกจะหลับแล้วตื่นใหม่ๆก็ตามสักสองสามนาทีก็พอแล้วมองดูความจริงของรูปว่ารูปรูปมันเป็นสุขกรือเป็นทุกข์ร่างกายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ให้ใช้บัญญายเห็นชัดๆร่างกายนี้มันเป็นเหตุเป็นปันใจจัยเกิดความทุกข์กรจิต พอะไรลืมตายเข้ามาแล้วกิจที่เราต้องพึงทำอันดับแรกไปไหนคุโรงไปสวมทําอัญญาไป่วมมาถ้าไม่ไปก็ยุ่งแนละ้วมันทุกข์หลายชั้นนะท น, นี้ก็ต้องไปตัวนี้ตัวทุกข์นะหลังจากนั้นแล้วก็ต้องกินเพราะรูปมันหิวร่างกายมันหิวโดงความร่างกายเต็มด้วยความทุกข์ถ้าความป่วยไข้ไม่สบายเกิดก็ทุกข์อีกต่อมาจิตเกาะร่างกายมากเกินไป ที่เรียกว่ามีหมหรออวิชชาโมหะระอวิชชานหลงลูกตามธรรมดายของลูปความเกิดขึ้นก็ต้องแก่แก่ไปทุกวันเร่ยกว่าเสื่อมแล้วก็ตายในสุดตอนนี้ความหลงเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกคิดว่าลูปมันจะไม่สลายตัวลูกจะไม่แก่ลูปจะไม่ตายถ้าความแก่เกิดขึ้นก็มีความตกใจคิดเสียดายวันนี้เรามาแก่แล้วหรือ แต่ถ้าเราเรากาการป่วยแคม่มสบายต้องมีเราก็ลืมตัวคิดว่ามันจะสบายถ้าอาการไม่สบายเกิดขึ้นแล้วก็ตกใจนี่เราต้องไม่ลืมต้องไม่ลืงความเป็นจริงของรูปแต่ก็ค่อยคิดนะเอาวันเฉพาะวั น, นแค่น้อยๆใหญ่มากแต่ใครคิดได้ทั้งวันก็ยังดีแต่ว่ใหม่ๆอย่าเอาน้ำมาลุ่มนะ ถ้าตอบอันดับแรกแรกก็คิดก่อนสงัดสงั ด, ดูว่ารูปเรามีทุกข์เพราะรูปและคนที่มีร่างกายอย่างเรามีรูปอย่างเราเขาตายกันบางไหมก็ดูบุคคนแนวดีตายมาเยอะแล้วลเราก็ต้องมีสภาพตายอย่างเขาถ้าเรามีรูปอย่างนี้เรามีทุกข์นั่นหมาว่าเราไม่สร้างความดีตายแล้วก็มีทุกข์ใหญ่คือโลภายาภูมิเราก็ต้องหนีอบปายภูมิอันดับแรกเขาก็กําจัดรูปเล็กน้อย เราหันเข้าไปจับอารมณ์ของปัจโสดาบันทิเรวดส ก, กายติอิจิจิชาเชลัพตาปรามาตตัดสามอย่างตัดความรู้สึกว่าร่างกายทรงตัวเป็นเราเป็นของเราทิ้งเสียให้มีความรู้สึกตามความเจริงว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอนันยากนะเนี่ยฮะเพราะนี่อุปนิหารนี่ยากเนี่ยเขาลบใหม่ขึ้นไปสู่อุปนหารน่าพังแน่ใช่ มีความรู้สึกวร่างกายไม่เจริญของเรานี่ไปอารมณ์พรรหันนะอย่าเพิ่งเอานะถ้าใครทําได้ก็ดีค่อยๆทําทําในวันเล็กน้อยก็ใช้ได้ถ้ามีความเบื่อในร่างกายในร่างกายตัวประกบเบื่อมากอันนี้เป็นอารมณ์พระนาคามีในตอนต้นเรามีความรู้สึกเต่เพียงว่งาร่างกายนี้ต้องตายเอาแค่นี้ดีกว่าเบาๆถ้าเราส่งให้ได้นะไม่ต้องคิดทั้งวัน แต่ก็ต่อไปก็ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งให้แน่นอนไม่ปราโมทในพระตรายสนาคมแล้วไม่แล้วไม่สงสัยพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์อันนี้ต้องใช้ปัญญาเกาะให้แน่นแล้วต่อไปก็ต้องรักษาสินห้ากับกคำบทสิบครบถ้วนเฉพาะสินห้าไม่ไหวพนจะเรณาวกโสดาบันอย่างหยาบคือมีสินห้า ผสดาบันอย่างกลางและอย่างละเอียดก็มีกำหนดสิทถ้ามีอย่างหยาบโดยเฉพาะสินห้าในวาจายังฟล่องมากจะเว้นเฉพาะมุสาวาตคำหยาบจะไม่ได้ห้ามพูดสอเสียดจะไม่ได้ห้ามโดหกเจอเหลวไหลไม่ได้ห้ามถ้าเป็นโสดาบันเขาก็ไม่พูดคำหยาบเกินไปจะเตือนใจคนไม่ แลว่าทัดยากเอาขั้นด่ากันบกเบ่งเบงอะไรปริชาต์ด่าเป็นปล่าวะใม่เป็นนะด่าแล้วตายเลยยะเห็นที่ยิ้ยิ้มเป็นด่าเป็นแล้วว่าต้องกำหนดสิบตัวตัวอย่างนางวิสาขาพิสายขาแล้วท่านว่าคนเป็นแต่ว่าค่อยคํานิ่มนวลอาศัยธรรมะเข้ามาอ้างอิงยังต้องมีกำหนดสิบกำหนดสิบมีอะไรบ้าง ทางกายหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่ผู้ผิดในกรรมทั้งนี้ก็เรื่องสุราต้องเป็นเองนะทางวาจามีสี่คือไม่พูดปดไม่พูดคาหยาบไม่ส่อสีเขาแตกเล่ากันไม่พูดวาจาเพื่อยืเหลวไหลทางด้านจิตใจไม่อยากจะลักยัโวยของไข่ไม่อยากจะแย่งของไข่ไม่จองล้านจองผายไข่ไม่มีความอิงคดค้านพระพุทธเจ้าท่านี้ ก็นะเป็นนั้นว่าขบันดาญาโยมพบริษัทการเยนกรรมฐานวันนี้มีญาโยมถามเรื่องสมาบัติมากก็สมาบัติเป็นของดีสมาบัตินเค้งนี้นแปลว่าเข้าถึงกร้อมมีสัง ป, ต, งปตินะสัมปติเ่าเอาสังอตมอ ร, รแปลงตอตมมาเรียกสัมปติ การเข้าถึงพร้อมในองค์สมาธิคือระงับมีวรห้าอย่างนี้ดีแต่ว่าถ้าหลงสมาบัตยอย่างเดียวเข้าฌานอย่างเดียวไม่สามารถตัดสัญญตสามได้ตายแล้วลงนรกได้นะดูตัวอย่างเด ว, วทัศได้ปัญญาแล้วก็ลงนรก แะนั้นขออ น, นุญาตโยมพุทธไวสัตทุกคนจงอย่าทิ้งการละสังโยชน์5ไปการนักศึกษาเอาแค่3ามารการนะห้าไปการเปรนาคามีแล้วก็ขอย้อนตัวอีกัวหนึ่งถ้าญาติโยมที่มาใหม่ใหม่หรือเก่าะลืมบ้างไม่ลืมบ้างนะเอกศักดิ์ประเดียวอรยางเงี้ยทำสมาธิ20นาทีในช่วง20นาทีนี่สมาธิจะโซงตัวบ้างไม่โซ่ตัวบ้างก็ไม่เป็นไร เวลาเริ่มทำสมาธิให้รู้ลมหายใจเข้าออกให้ใจเข้ารู้อยู่ใจออกรู้อยู่หายใจเข้าธรรมบรารณะก็ธรมารณะตามถ้าญาติโยมที่มาใหม่ไม่เข้าใจธรรน า, ายัางไงใช้ธรรมนาพะพุทธโธถ้าญาติโยมนี่เคยปฏิบัติจา่อื่นมาก่อนใช้ธรรมนาแบบไหนทำแบบไหนทำตามเดิมอย่าเปลี่ยนแปลงเพราะสมาธิย่อมมีคลเสมอกัน หลังจากนั้นก่อนภาวนาคนจะตัดสินใจนะ่ารู้ศาสนาญาณใี่ก่อนอันดับแรกท่านผู้เก่าๆในโยมนะคนใหม่ๆอาจจะไม่ไหวให้ใช้ปัญญาคิดเรื่องร่างกายคิดเรืงโลกนี้ไ อ, อ้ร่างกายเกิดในโลกนี้มันเป็นสุขก็เป็นทุกข์ <c oughs> มองเห็นทุกข์ที่เราต้องเสบยมาความหิวความหายการประกอบกิจกายงานการพัดผ้าจัดของและของเจ้าใจการป่วยแข้ความสบายยานี้เป็นทุกข์ทั้งหมด เห็นว่าการเกิดมนุษย์เป็นทุกอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างนี้จิตชาติกระทุกแบบนี้ไม่พ้นไปถ้าเราเกิดเป็นเิวดาหรือผมมีความสุขจริงแล้วั้งหมดพ้นวาสนามารมีก็มาทุกใหม่เราไม่ต้องการเราต้องการนิพพานหลังจากนั้น ก, ก็จิตเขาจับกันห้าคือร่างกายรูปรูปคือร่างกายนะพระร่างกายที่เร็วๆอย่างนี้มีการไม่ทรงตัวอย่างนี้เราไม่ต้องขอมีอีก ขอมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อร่างกายนี้พังไรเขาปนิพัน์มันนั้นหลังจากนั้นจะภาวนาและพิจารณายั็ไงก็ใช้ได้หมดวราะจิต จ, จับนิพพานตอนนี้ไปุันดา ญ, ญาติโยมทุกบริษัททั้งตั้งใจสมาทานประกรรมฐานสมาทานศีล